โกรธสนิมในใจหมายเลขสามมาเจอคู่ปรับเก่าเข้าอีกแล้วข้าพเจ้าสงสารคนคนหนึ่งทั้งสงสารทั้งเห็นใจแกเป็นประเภทโทสัจ ร, ริตความคิดร้อนแรงทำอะไรเร็วช้าไม่เป็นเพราะค่าที่ใจของแกมีจริตอย่างนี้โกทะจึงสิงใจของแกได้ง่าย ใครพูดไม่ถูกหูนิดเดียวก็เคืองไปซื้อของในร้านคนขายของพูดขัดหูหน่อยเดียวก็ทำหน้างอออกจากร้านเอาเฉยๆบางทีก็ต่อราคากันแล้วคัดเงินอยู่สลึงเดียวเท่านั้นก็เดินออกจากร้านแล้วลงได้ออกเดินแล้วเมินเสเ็ะ ท, ที่จะกลับไปงออีกเป็นไม่มีแล้วเสียดายก็เสียดายเท่านี้ยังไม่ใครนักหนา สำคัญไปเดือดดานเวลาเป็นงานเป็นการสิอย่างเวลาเข้าประชุมถูกใครค้านเข้าหรือบางทีไม่ถึงกับค้านเสียด้วยซ้ำเพียงแต่เขาซักขอให้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมเท่านั้นแหละความโกรธมันบูบขึ้นหน้าทีเดียวแล้วแล บ, บออกมาทางสีหน้าทางสุ่มเสียงทางคำพูดใครๆหันมามองหน้าเสียหายนัก อีตาคนนี้ที่ว่านี้เวลานี้แกก็ยังพูดอยู่คือตัวข้าพเจ้านี่เองนิสัยเดิมของข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆดหนักใจครั้นอยู่ๆได้เรียนมากเข้ารู้มากเข้าข้าพเจ้าก็หันกลับมาเล่นงานความโกรธเข้าบ้างศึกษาหาวิธีเอาชนะความโกรธไม่ลดละพอได้วิธีมาก็ลองปฏิบัติ ด, ดูเห็นไม่เป็นผลก็เปลี่ยนใหม่ จนเอาตัวรอดมาได้เวลานี้เย็นกว่าก่อนมากทีเดียวยิ่งมาในตอนที่ข้าพเจ้าทำงานแผดธรรมะข้าพเจ้าเล่นงานความโกรธมากที่สุดทั้งทางพูดทางเขียนว่ามากกว่าความโลภความหลงหลายเท่าทีเดียวท่านผู้ติดตามงานของข้าพเจ้าคงจะสังเกตได้ข้าพเจ้าว่าความโกรธเสี ย, สยหาย ชนิดที่ไม่แบะท่าไว้คืนดีกันอีกเลยโครธเงาของความโกรธมีเท่าไรเท่าไรขุดขึ้นมาแฉหมดแล้วถ้าความโกรธเป็นผู้เป็นคนมันกับข้าพเจ้าก็คงจะเข้าหน้าไม่ติดตั้งแต่ปีกลายแล้ววันนี้มาเจอกันเข้าอีกแล้วจะเอาเรื่องอะไรมาว่าเพราะไหนๆก็ว่าหมดแล้วนอกจากจะเก็บตกก็ดีเหมือนกัน มื้อนี้เชิญรับประทานแกงส้มเปลือกแตงโมดูบ้างตอนโกทะคืออะไรโกทะแปลว่าโกรธได้แก่ความเดือดดาลแห่งจิตตรงกับอาการที่เรารู้สึกว่าฉุนหรือฉิวอย่างเวลาใครพูดอะไรให้เราไม่พอใจเรารู้สึกฉุนขึ้นมาบางทีก็เล่าให้ใครๆฟังว่า แม่พอมันว่าเท่านั้นค่าฉุนกึกขึ้นมาทีเดียวอาการที่บอกว่าฉุนกึกนั่นแหละเรียกว่าโกทับางทีไม่บอกว่าฉุนแต่บอกว่าฉีวค่ายังฉีวไม่หายเลยฉีวที่ว่านี้ก็พวกเดียวกับฉุนบางทีพวกเราพูดควบกันก็มีว่าฉุนฉีวและยังมีคำเรียกอีกอย่างคือคำว่า กริว้วพูดกันในวงการคนใหญ่คนโตชาวบ้านทั่วไปใช้น้อยไม่ค่อยได้ยินอาการเหล่านี้แหละที่เรียกว่าโกทะแต่ใจข้าพเจ้าเองยังคิดว่าเนื้อแท้ของโกทะนั้นคือความเดือดดานหรือเดือดพล่านส่วนความฉุนนั้นเป็นเพียงอาการเริ่มต้นของโกทะเหมือนสุบุรี่อย่างชุนฉุนพอดูดพรวดเข้าไปในคอ คนสูบจะมีอาการสะดุ้งคล้ายๆกับจะเป็นสันนิบาตกระตุกที่ว่าบุหรี่ฉุนๆน่ะว่ากันตรงที่มันทำให้ฉุนกึกนี้เท่านั้นส่วนอาการที่มันทำให้สลึมสลือหลังจากนั้นเราเรียกมันว่าเมาไม่ใช่ฉุนแต่มันก็ต่อกันถ้าไม่ฉุนมันก็เมาโกท้ทาก็เหมือนกันพอทำให้ใจฉุนกึกแล้ว ก็ทำให้เดือดพล่านต่อไปตกลงว่ารวมทั้งฉุนทั้งเดือดนั่นแหละเรียกว่าโกทะหรือจะแถมฉิวเข้าไปอีกก็ได้เพราะฉิวคืออาการที่ความโกรธมันกลุ่นอยู่ในถ้าจะเปรียบความโกรธกับงูเห่าฉุนเท่ากับหัวงูเดือดเท่ากับตัวงูและฉิวก็เท่ากับหางงูทั้งหัวทั้งตัวทั้งหางรวมกันจึงเป็นงูตัวหนึ่ง ความฉุนความเดือดและความฉิวก็รวมกันเป็นโกทะเท่านี้ก็เห็นจะพอท่านที่ต้องการทราบอย่างละเอียดกรุณาเปิดดูในพุทธศาสตร์ฉบับฉลอง25พุทธศตวรรษตอนโทษของโกทะถ้าจะพูดถึงโทษคือความเสียหายที่เกิดจากโกทะมีทางพูดได้เยอะ เพราะโกธาเป็นของร้ายเกิดขึ้นแล้วทำลายได้รอบตัวแต่ในที่นี้เรากำลังศึกษาเรื่องของโกธะในฐานะเป็นอุปกิเลสจะต้องว่าให้ตรงเรื่องคือว่าในแง่โกธะเป็นเครื่องทำให้สกปรกทำให้เศร้าหมองทำให้มัวหรือทำให้เน่าในอย่างที่ว่าแล้วส่วนที่โกธะทำให้เสียหายทางอื่นมากมายจะยังไม่พูดไป เพราะพูดไปเสียทุกอย่างความที่พูดก็ไม่ตรงกับเรื่องเข้าหลักที่ว่าพูดไม่ถูกเรื่องคนพูดไม่ถูกเรื่องเสียหายพอๆกับคนพูดไม่เป็นเรื่องเหมือนกันโกทะที่ท่านว่าเป็นอุปกิเลสหมายความว่ามันทำให้มัวหมองคือทำตัวโกทะนั่นเองให้หมองลงไปเคยผุดผ่องก็ดูมัวไป ถ้ามัวอยู่ก่อนแล้วก็ยิ่งมืดมิดซ้ำเข้าไปอีกอยากพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าโกทะทําทให้มัวจริงหรือไม่ต้องตั้งประเด็นขึ้นพิสูจน์สองประเด็นคือหนึ่งโกทะทําทอะไรให้มัวหมองและสองโกทะทําทให้สิ่งนั้นมัวหมองได้อย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาสองประเด็นนี้ จะเป็นการเพียงพอที่เราจะวินิจฉัยได้แน่นอนว่าโกทะเป็นอุปกรณ์ จ, จริงหรือไม่ประเด็นแรกที่ตั้งปัญหาว่าโกทะทําทอะไรให้มัวหมองหมายความว่าเราดูที่ที่มันทําให้มัวหมองว่ามันมัวหมองจริงหรือไม่อย่างเช่นมีใครบอกเราว่าขม่าทําให้บ้านเรือนสกปรกเราหันมาดูที่บ้านเราก่อนว่า มันสกปรกตรงไหนตรงฝาหรือฝ้าหรือพื้นหรือหลังคาเพื่อจะดูข้อเท็จจริงขั้นต้นก่อนถ้าจะดูที่ที่โกทะาทำให้เศร้าหมองเอาแค่สามจุดก็เห็นจะพอคือ 1. จิตใจ 2. มารยาทและ3การงาน นี้ดูจากข้างในออกมาข้างนอกใช้สำหรับดูตัวเองแต่ถ้าจะดูคนอื่นต้องย้อนกลับคือดูข้างนอกย้อนเข้าไปข้างในดูที่งานแล้วดูความประพฤติแล้วดูมารยาทแล้วจิตใจเพราะการเห็นตัวเองกับเห็นคนอื่นเห็นต่างกันอยู่เห็นตัวของเราเองเห็นใจเราก่อนอย่างเช่น โกรธขึ้นมาเรารู้ว่าใจเราโกรธทั้งๆที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ที่ต่างกันนี้ต่างกันเพียงวิธีดูส่วนการวินิจฉัยดีชั่วใช้หลักเดียวกันดั้งจะอธิบายต่อไป 1. จิตใจการดูจิตใจว่าผ่องใสหรือขุนมัวต้องดูความสงบความคิดและการใช้สติปัญญาดูในสามอย่างนี้ โดยปกติแล้วใจที่สะอาด จ, จะมีความสงบเยือกเย็นคือไม่ฟุง้งไม่ดิ้นรนคล้ายๆกับน้ำในบ่อถ้าใสก็มักจะนิ่งถ้าเกิดเป็นระรอกสับสนรุนแรงก็มักจะขุ่นเพราะคนตมใต้น้ำลอยขึ้นมาใจคนเราก็เหมือนกันใจที่สะอาดก็เป็นใจสงบไม่ฟุง้งจนเกินไปที่ว่านี้หมายถึงใจธรรมดาธรรมดานี่เอง ไม่หมายถึงสมาธิจิตที่ว่าสงบสงบก็คือสงบอย่างธรรมดานี่แหละความสงบของจิตเป็นเครื่องวัดความสะอาดของจิตได้อีกอย่างหนึ่งดูความคิดใจที่สะอาดมีความสงบเป็นพื้นอยู่เวลานั้นคิดอะไรความคิดราบเรียบที่ว่าความคิดราบเรียบนั้นมีที่สังเกตคือเหตุกับผล คิดอะไรมีเหตุมีผลสแสดงว่าความคิดราบเรียบเหมือนเราเดินทางราบเรียบผู้เดินมักจะมองเห็นจุดข้างหลังและจุดค่อนข้างเรียบร้อยอีกจุดหนึ่งคือการใช้สติปัญญาพูดง่ายๆคือใช้ความรู้อย่างเช่นอ่านหนังสือหรือคิดเลขหรือตอบปัญหาเป็นต้น ใจสะอาดซึ่งมีความสงบเป็นทุนจะใช้ความรู้ได้สติปัญญาจแจ่มใสอ่านก็คล่องปฏิพานก็เร็วรวมความว่าใจคนเรานี้ถ้าสะอาดแล้วจะมีอาการสงบเยือกเย็นความคิดราบเรียบและใช้สติปัญญาได้คล่องแคล่วแต่ครั้นเกิดความเด็ดดินขึ้นมาที่เรียกว่าโกรธให้สังเกตดูว่าอาการสามอย่างนั้นลดลง โกรธน้อยก็ลดลงน้อยโกรธมากก็ลดลงมากโกรธจัดจริงๆก็หายไปหมดเลยในทางความสงบเยือกเย็นเห็นจะไม่ต้องพูดใจเรานี้พอมันโกรธขึ้นมาเท่านั้นทั้งฟุง้งทั้งร้อนรู้กันอยู่แล้วที่ว่าฟุ้งคือคิดเลอะเทอะคิดเลยเหตุอย่างกำลังอ่านหนังสืออยู่บนบ้านใจกำลังสงบสงบ มีเด็กมาทำเอะอะที่ข้างบ้านความคิดฟุ้งขึ้นทันทีแทนที่จะคิดแค่ว่าเด็กคนนี้เป็นใครก็คิดเลยเรื่องไปว่ามันลูกใครพ่อแม่มันไปไหนเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนที่คิดเลยเรื่องไปอย่างนี้แหละเรียกว่าฟุง้งความโกรธทำให้เราสูญเสียความสงบลงอย่างได้ชัดในแง่ความคิด ลงได้ใจเดือดแล้วความราบเรียบของความคิดไม่ต้องพูดถึงเหมือนผิวน้ำในกระทะบนเตานั่นแหละเมื่อมันยังเย็นผิวน้ำก็เรียบแต่พอน้ำมันเดือดผิวมันก็ไม่เรียบเดือดปุดปัดปุดปัดปุดโปง่งปุดโป่งํทำท่าจะล้นเสียให้ได้ที่รู้ความโกรธทาให้ความคิดไม่ราบเรียบก็ดูที่เหตุผลดังกล่าวแล้ว คือคนโกรธแล้วคิดอะไรไม่มีเหตุผลไม่พอจะด่าก็ด่าไม่พอจะตีก็ตีแล้วคําด่านั้นก็เป็นภาษาคนโดยปกติแล้วภาษาคนก็ใช้พูดกับคนแต่คนโกรธแล้วด่าได้หมดโกรธคนด่าโกรธ ว, วัวโกรธควายก็ด่าวัวด่าควายบางคนเดินไปชนหลักชนตอก็ด่าหลักด่าตอ รวมความว่าคนโกรธแล้วคิดอะไรนอกเหตุนอกผลเอาง่ายๆมีอย่างที่ไหนเอาภาษาคนไปด่าสัตว์ด่าต่อมันจะรู้อะไรเท่านี้ก็เห็นได้แล้วว่าความโกรธมันทำให้ความคิดไม่ราบเรียบการใช้สติปัญญายิ่งเห็นง่ายหลงงในโกรธแล้วมีวิชาความรู้ก็เหมือนไม่มีอ่านก็ไม่ได้เรื่องเขียนก็ไม่ได้ความ จะพูดจะฟังไม่เป็นรสนั้นขณะที่ความโกรธกำลังเผาใจเต็มที่นั้นคนฉลาดก็กลายเป็นคนโง่เพราะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีพอๆกันที่พูดมานี้เฉพาะด้านจิตใจด้านเดียวถ้าสังเกตดูความสงบเยือกเย็นของจิตความคิดของจิตและการใช้ปกติปัญญาของจิตสามอย่างนี้แตกต่างกันมาก สำหรับจิตปกติกับจิตที่กำลังโกรธ 2. มรารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่คนแสดงออกโดยปกติแล้วมรารยาทย่อมแสดงออกก็ละมุนละม่อมมีอาการเคารพอ่อนน้อมและสดชื่นใครเห็นก็รู้สึกเย็นตาวาจาที่เปล่งออกก็สุภาพอ่อนหวานเรียบร้อย ใครฟังก็เย็นหูมารยาทอย่างนี้เราเรียกว่ามารยาทสะอาดไม่เป็นภัยแก่คนอื่นเหมือนน้ำใสสะอาดและอาหารสะอาดกินได้ดื่มได้สนิทใจไม่เป็นโทษแต่มารยาทสะอาดเราไม่นิยมเรียกว่ามารยาทสะอาดแต่เราใช้อีกคำหนึ่งคือคําว่าสุภาพคนที่มารยาทสะอาด เรียกว่าสุภาพชนซึ่งเคยได้ยินอยู่ทั่วไปแล้วทีนี้เวลาโกรธแล้วคนเรามันแปลกมารยาทมันจะเกิดไม่สะอาดขึ้นมาคือไม่สุภาพเคยยิ้มก็กลายเป็นบึง้งเคยอ่อนโยนก็กลายเป็นแข็งกระด้างเคยเรียบร้อยกลายเป็นเกะ ก, กะมารยาทอย่างนี้เป็นมารยาทสกปรก คนเห็นก็ไม่สบายตาคนฟังก็ไม่สบายหูรวมความว่ามีโทษแก่คนเห็นคนฟังเหมือนน้ำสกปรกอย่างนั้นแหละอาบก็คันตัวกินก็ท้องร่วงนี่แหละโกทะททำให้สกปรกอย่างหนึ่งสางานหมายความถึงงานที่เขาทำเช่นพิมพ์หนังสือ เขียนจดหมายอภิปรายความเห็นในที่ประชุมและกล่าวคำสั่งสอนเหล่านี้เป็นต้นโดยปกติแล้วคนใจสงบเยือกเย็นงานที่ทำก็สะอาดจะพิมพ์หนังสือก็น่าใช้น่าดูไม่ค่อยปิดค่อยตกจะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งข้อความก็สอดคล้องกลมกลืนเป็นเรื่องเป็นราวน่าอ่าน จะถแถลงความคิดเห็นก็อ้างเหตุผลครบถ้วนน่าฟังแม้จะกล่าวสั่งสอนใครก็พูดถูกต้องเน้นที่ควรเน้นเบาก็ควรเบาสอนคนน้อยก็พูดค่อยๆสอนคนมากก็พูดดังๆ ง, งานสะอาดต้องอย่างนี้แต่งานที่สะอาดเวลาพูดกันเราไม่ค่อยเรียกว่างานสะอาดเราพูดว่างานเรียบร้อย แต่คนเราถ้าโกรธแล้วทำงานให้สะอาดคือเรียบร้อยได้ยากคงจะเคยเป็นหรือเคยเห็นมา ก, กับตัวทุกคนแล้วเสียนพิมพ์ที่พิมพ์สัมผัสคล่องๆทนายดุจนเขาโกรธแล้วฝีมือเสียหมดจะเขียนจดหมายก็มีข้อความกระแทกกระทันเวล า, ถาแถลงความเห็นในที่ประชุม แทนที่จะว่ากันด้วยเหตุผลก็ไม่ว่ามีแต่แฝงคำท้าทายบ้างคำเหน็บแนมดูหมิ่นคนอื่นบ้างไม่เป็นทา่าเวลากล่าวสั่งสอนคนก็เหมือนกันโกรธแล้วก็สอนลามปามเกินเหตุสอนคนคนเดียวนั่งห่างกันไม่ถึงวาก็เปิดปากกว้างเกินขนาดส่งเสียงแวดัดแวดน่ารำคาญนําคาญงานของคนโกรธมันจะสกระปรกอย่างนี้แหละ เท่านี้ก็พอแล้วไม่ใช่หรือที่จะยืนยันว่าโกทะมันทำให้คนสุกปรกอย่างไรสาอีกนิดเถอะยังมีอีกจุดหนึ่งที่โกทะไปทำเลอะเอาไว้คือคนนี้ัสหงุดหงิดโกรธง่ายจะเป็นคนมีกระแสจิตร้อนแห้งผากทำให้ผู้ที่ติดต่อหรือแม้แต่พบเห็นรู้สึกไม่สบายใจเข้าใกล้แล้วไม่ชุ่มชื่น ไม่อยากอยู่นานคล้ายๆกับเข้าใกล้คนกลิ่นตัวแรงอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ได้เกลียดชังอะไรเขาแต่ว่าเข้าใกล้แล้วไม่สบายใจคนที่มีโกธาเป็นเจ้าเรือนนั้นลองสังเกตให้ดีเวลาเราเข้าไปหาทั้งทังที่ยังไม่ได้พูดจาภาทีกันเลยก็ให้รู้สึกขาดความเรื่มใสไม่มีแก่ใจที่จะรักจะนับถือ วิธีสังเกตนั้นเราควรจะลองสังเกตจากคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนถ้าเราเจอหน้าเข้ารู้สึกว่าใจเราแห้งผากห่อนเปลียหรือร้อนรนถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแกเราแล้วลองตามสังเกตต่อไปผลจะปรากฏว่าผู้นั้นเป็นคนใจน้อยโกรธง่ายฉุนเฉียวเก่งนี่อยากจะชี้ให้เห็นว่า โกตะทำลายเสน่ห์ในตัวคนลงได้จริงๆสำหรับคนที่รู้สึกตัวว่าคนอื่นเมินเฉยไม่อยากคล้องแวะด้วยทั้งๆที่เราก็ไม่เคยได้ทําอะไรให้เป็นที่ขัดใจเขาและบางทีท่านเองอยากจะคบกับเขาอยู่ด้วยซ้ําและพยายามจะพูดดีด้วยแต่เขาก็เมินลองตรวจดูตัวอีกครั้ง เป็นเพราะกระแสจิตของท่านร้อนไปเพราะมีโกทะซ่อนอยู่ในตัวก็เป็นได้